เอตอมมังขะระมุตตัมมังตีวัดนี้จะเปิดแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องการบูชานในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านเจ้าคุณพระธรมรมวรนายุกอาดิจ้าคณะภาคสิบห้าอาดิผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมรบูพิตร ซึ่งคณะท่านเจ้าภาโดยคณะสมวัดวางโคโอมาวาดมีท่านเจ้ า, าวาดเป็นประธานพระมดีญาติหวมพุทธโริษัตผูกเอียมด้วยน้ำใจใหมตรีแวมลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณพระธา ร, รมรณายกจึงได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลอุทิศส่งไปให้แก่ท่านด้วยน้ำใจไมตรี เป็นสิ่งที่นาอัโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญอุราณท่านว่าสรารพัดน้ำใดๆในโลกนี้ที่จะเด้เหมือนน้ำใจไม่มีเลยอาวุภาพของน้ำใจจะยกอุชาหรนให้เห็นไ ง, ไง่ายๆว่าอาวิสงคราน้ำใจนั้นน่าพิศโ ส, สมัยเมื่อกรุงเทศ มีรถรางมีชายชราคนหนึ่งขี่ของประหลุนพลังขึ้นมาบนรถรางไม่มีที่จะนั่งคนมันไ่นตรงดีงานกาชาติก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีน้ำใจลุกขึ้นเชื้อเชิให้ชายชรานั่งชายชราขอบอกขอบใจในน้ำใจของเด็กหนุ่มเป็นอันมากเมื่อถึงเวลาที่จะลงจากรถราง เด็กหนุ่มผู้นั้นจะไปหมดน้าใจช่วยชายชาราที่อของเราน้้นไปส่งถึงที่บ้านบังเองื่นบ้านตัวเองกับบ้านของชายชาราอยู่ในซอยเดียวกันอมุภาพของน้ำใจที่เด็กหนุ่มผู้นั้นมีต่อชายชาราทำให้เด็กหนุ่มผู้นี้ในการต่อมาได้มาเป็นหลานเขยของชายชาราและได้รับมรดกมากมาย มีที่นาที่สวนมีตึกแถวเรียการาเป็นเศรษฐีย่อยๆกันนี่คืออามุภาพแห่งน้ำใจที่ที่ให้ใ ช, ชายชรา น, นั่งนั้นก็มาสุทธิของตัวเป็นของสาธารณะเป็นของรัฐบาลแต่ว่าที่เกิดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเช่นนั้นเพราะอาศัยน้ำใจคณะสงฆ์วัดบางโพโอมาว่าได้หลังน้ำใจ มาให้แกศกของท่านเจ้าคุณก็ธรรมบรณนายกในคราวครั้งนี้นี่คือน้ำใจโดยแท้โลกของเรานี้อยู่ได้ดรวยอาศัยน้กใจถ้าโลกขาดน้ำใจแล้วโลกก็ดำรงไม่ได้เป็นโอกาาที่ณานเพราะฉะนั้นขอพุธนาสาธุการแกคณะสงฆ์วัดบางโขโมมาวาพร้อมทั้งญาติจยงพุทธบริษัทในโอกาสนี้ด้วย การที่ทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้ mm hmm. ก็ไดยสานึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณพระธรรมวรรณายกเป็นสำคัญจึงได้ชื่อว่าได้บูชาผู้ที่คนบูชาเป็นสวัสดิมงคลแก่ท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งสมจริงตาพุทธภามศิษฐ์ที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าบูชาจู้ชะนีานั เอตัมมังครามุตตัมมังว่าบูชาผู้ิีคนบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดตังนี้เพื่อให้กธรรมอธิษฐานี้ฟังง่ายจำง่ายปฏิบัติง่ายก็จะขอตั้งเป็นประเด็นคือหัวข้อที่สาคัญสาคัญนะ่รวมห้าประเด็นดีวยกันประเด็นที่หนึ่งลักษณะของการบูชาหมายถึงอะไร ประเด็นที่สองการบูชามีกี่ประเภทกี่ชนิดกี่อย่างประเด็นที่สามใคบ้างที่ควบูชาประเด็นที่สี่คาถาสําหรับบูชาคืออะไรประเด็นสุดท้ายคือที่ห้าบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นวงกลมชีวิตอย่างสูงสุดนั้นอย่างไรจะได้อธิบายตามลำดับต่อไปประเด็นแรก ลักษณะของการบูชาในหนังสือกัตนานุกรมได้นอธิบายไว้ว่าบูชาหมายถึงการยกย่องสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือเป็นต้นพวกเป็นการบูชานี่เป็นประเด็นที่หนึ่งย่อๆประเด็นที่สองการบูชามีกี่ชนิดการบูชามีสามชนิดสามอย่างนี่กันหนึ่งการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอาหารการบริโภค ที่ดูที่อาศัยเสื้อผ้าเป็นบูชาอย่างหนึ่งเรียกตามภาษาพรนะว่าสักการะการที่ก็เรียกว่าสักการะบูชาก็มีนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งบูชาด้วยการยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของผู้ที่ระนักถือจะระนักถือองค์สมเด็จพระองค์ี้รลภาวก็าด่สรรเสริญคุณงามความดีของพระองค์ว่าอทธิปิโสพระคาวาแรางสัมมาสัมพุโทโธ วิชาชนะสัมปโนเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นบูชายอย่างหนึ่งเท่ากันเรียกตามภาษาพระว่าปักขันค่ะประเภทที่สามยอมรับนับถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์เป็นต้นว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์เช่นทรงสังสอนมีขันติแล้วก็มีขันติ ชนสังสวร น, นี้เรามีความกตัญญูแล้วก็มีความกตัญญูอย่างนี้เป็นต้นเป็นการบูชาอย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกตามภาษาพระว่าสามมานะรวมเป็นสามประเภทเดียวกันเรียกประเด็นที่สามใครบ้างที่ควรบูชามีสามประเภทเดียวกันประเภทที่หนึ่งปูธิยะวัตถุประเภทที่สองปูทิยะสถานประเภทที่สามปูธิยะบุคคล ประเภทที่หนึ่งปูตริยาวัตถุได้แก่วัตถุที่ควรบูชายกตัวอย่างเช่นพุทธรูปพระศรีมหาโพธิพระเจดีย์พระองค์พระธาตุเป็นต้นหรือสาวกรีของวีรบุรุษเช่นของพระเจ้ากากศิลป์เป็นต้นแต่ลอดจนกระทั่งธงไตรรงอย่างที่กลราวตัวในปูทริยาวัตถุทั้งสิน้นประเภทที่สองปูตริยาสถานได้แก่สถานที่ควรบูชา เป็นสถานที่เกี่ยวกับพระรูปเจ้าประสูติกระสรูนิษย์พานแสดงธรรมใบแปดกับพระประสูติและสถานที่อันสําคัญคือวัดัดวาอาวาสเป็นที่ประชุมอยู่ของพระผูธประทับประสงค์เราก็ควรจักรารูชาไม่ประทําสิ่งที่เป็นการล่วงเกินในวัดหน่วาเช่นเจดทุราในวัดเป็นคามพนันในวัดเป็นต้นอย่างนี้ก็เยกเป็นการอุชามันกันเป็นปู่ที่เป็สถาน ประการที่สามปูธิยะบุคคลบุคคลที่คนบงชาได้แ็่วุฒิบุคคลสามประเภทหนึ่งได้แก่วัยาวุฒิประเภทที่สองชาติวุฒิประเภทที่สามคุณนวุฒประเภทที่หนึ่งวัยาวุฒหมายถึงผู้ที่มีอายุพรา ม, มากกว่าเราแล้วเข้าพงครสการ บ, บูญชา ในฐานะที่เกิดคนเราประเภทที่สองชาติวุฒย์ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอู่หัวนี่ถือาว่าอวตารมาจากสวรรค์ก็ควรสักการรับองชาแต่พระองค์ท่านประเภทที่สามคุณอวุธได้ตัวคนที่มีพลังความดีมีสีมีธรรมในพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์นี่เราก็ควรจะการับองชาในรวมเป็นสามประเภทกันในประเด็นต่อมา คาถาสำหรับใช้บูชานี่สำคัญมากเลยถ้าไม่ใช้คาถาบทนี้ตั้งบูชาผิดผิดถูกๆกๆบูชาไม่ถูกประสมของพระเจ้าต้องใช้คาถากระ บ, บูชาคาถากระ บ, บูชานั้นก็คือโอมนี่เองนะฮะคก็ะชื่อวัดบางโคกโมาวาดมาบิโอ ม, อ น, โอ ม, มนี่เองโอมะพีนิษฐาพิจารณาก่อนจะบูชาเสกคาถาบทนี้คือคาถาที่วา โอมภมพินิษ์มาพิจารณนั้นเองให้เศกษาหมดนี้จะได้บูชาไม่ผิดคุณหลวงวิจิตวาสการอธิบายไว้น่าจับใจไพเราะเป็นขติกมากองค์โอมนั้นมีสองประเภทดีกันโอมของทางาศาสนาพราหมณ์และโอมของทางาศาสนาพุทธโอมของาศาสนาพราหมณ์นั้นขึ้นต้นโอมหมายถึงเทพเจ้าสามพระองค์ พระองค์พระสิวะหล่าวิศนุให้าศาสนาพรามนั่นขึ้นองค์ซึ่งขยายมาเป็นมะอาวุมะอาอุหมายถึงเทพเจา้าท้งสาพระองค์มะนั่นหมายถึงพระองค์อาหมายถึงพระสีวะอุหมายถึงพระวิศนุมะอาวุที่รวมเข้าเป็นองค์ เวลาพวกพราหมณ์เขจะประกอบพิธีต่างๆเขาก็ขึ้นโอมเช่นโอมวั น, นีปัตเตเมหุม่โมโอมวั น, นีปัตเมหุม่มต่อหมายถึงบูชาเทพเจ้าสามพระองค์เองคล้ายๆเราตั้งน้โมมาเนี่ยะและ้วถของศักดิ์สิทธิ์มีของศาสนาพราหมณ์เขาที่ศาสนาพุทธเรานี้ขึ้นโอมเหมือนกันนะแต่มีความหมายตรงกันข้ามโอมในศาสนาพุทธ หมายถึงพระพุะทธธรรมประสงค์ขยายโอมาเป็นผู้อาอุมะไม่ใช่ว่าอาอุนะอาอุมะอาอมันจะคําว่าอารหังหมายถึงผู้ที่เจ้าอุมันจะคําว่าอุตมะธรรมหมายถึงพระธรรมมะมันจะคํ า, า, า, า, าคว่ามาหาสังฆังหมายถึงพระสงค์เพราะฉะนั้นโอในทางศาสนาพุทธจึงหมายถึงพระพุะทธธรรมประสงค์นี่เองจังไม่ว่าศาสนาพรามณเป็นมะอาอุของพวกเรนี้เป็นอาอุมะ ต้องใช้ถูกต้องดุลผู้จิตวิจ ร, ราการอ่านถึงใบไว้ผูท้ที่ได้เศกคาถาบทนี้แล้วคือโอมาพินิษมาพิจารณาก่อนจะบูชาเศกคาถาบทนี้คือคาถาโอมาพินิษมาพิจารณนันเองซึ่งตรงกระทมาภาสิทธิวัฒนิสัมมะระนังเสยนุเหมือนกันครคือมีสติสัมปชนัญญะใคร่ควรก่อนจะทําสิ่งเหลืองสิ่งใดแม้แต่การที่จะบูชาต้องใคร่ควรเสียก่อน คนของการไม่ใครควรพิจารณาไปบูชาสิ่งที่ผิดผิดแทนที่จะเป็นมงคลกับเป็นอับประมงคลพระเจ้าทศตรูบูชาพระพรเทวทัพนยังไงคนสุดท้ายกรมพระชนพระบิดาคือพระเจ้าพิงพิสารเป็นอนันตเรียกกรรมปิดตูคาดาหามสวรรค์ห้านิพพานชาวนานในเรื่อง วิทานอิศกเพ่งงูเห่านอนขดตัวด้วยความหนึหนาวถึงสามกุ้มคือมากกอดด้วยความเมตตากรุณาคนสุดท้ายงูเห่าได้อยอยุนจากตัวชาวนาได้กำลังหรือออกมากัดชาวนาที่สาคัญตายก่อนที่ชาวนาจะตายครวรเอกมาว่าสมน้ำหน้าตายเสกกะดีขาถามีไม่เสก ที่ยกตัวอย่างวันนี้ที่ทุกท่หนเห็นได้ว่าระบูชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เสกคาถาบกนี้เป็นอัปมงคลนด้วยเหตุ น, นี้องค์สมเด็จพระกรุงมีกระพากจึงทรงเน้นว่าบูชาจะพราะผที่ควรบูชาจึงจะเป็นมงคลสิ่งที่ไม่ความบูชาเป็นบูชาเข้าเป็นอัปมงคลอย่างพระเจ้ากร ะ, ะสตรูกับชาวนาที่เป็นประเทิญหนึ่งเท่านั้น ประเด็นสุดท้ายใครเล่าที่บูชาแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลชีวิ ต, ต้นมีมากเลยกันเนี่แต่เพื่อจำกัดเวลาเพี่อยั่วย่อจะยกเป็นสามอย่างที่เป็นมงคลชีวิตหนึ่งการบูชาผู้ที่คุณบูชาเป็นเหตุให้ชีวิตจเจริญก้าวหน้าสองพาไปสู่สวรรค์ สามพาไปสู่นิพพานเอาสามอย่างกระลปรสอนกับอิรละการเรกชีวิตเก้าหน้าอุปติสสะได้ประมูชาท่านพระเจชิเทระได้ฟังธรรมของท่านได้สังเดชปสวดาบันด้ะได้นเโาธรรมนี้มาสอนมาบอกแกโคริตะผู้เสยก็สังเดชปสดาบันเช่นกัน แล้วต่อมาท่านจังสองก็ได้มีโอกาสไปฝ้าวงสมเด็จพระอมรศรีศรดาได้บรรพชาวเป็สมบัติเป็นีิสุกเป็พุะศาสนาท่านโกริตะเนี่ยไปบวชแล้วดีนามใหม่ว่าพระมหาโมคคลานะบำเพินเพียนอยู่เจ็ดวันสาเร็จเป็นพระอาหารหันต์ต่อมาได้รับยกจ้องจากพระศาสดาว่าเลิกไปทางมีฤทธ ได้แต่ได้รับแต่งตั้งเป็นอกากรสาวเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระโอมศาสดาสา่วนท่านพระท่านพระอุปติษะนั้นเมื่ออุปสมบทแล้วในนามหมายว่าพระาศาศาสารีบุตรอุปสมบทได้สิบห้าวันสําเร็จเป็นพระราหารันและต่อมาก็ได้รับยกเลื่องเป็นพระเสนาบดีว่าเลิศในทางปัญญาเป็นอักรสาวเบื้องซ้ายเบื้องขวาท่านทั้งสองนี้ ปรากฏอาณสาวรบริบูรยาเข้าโบสถ์ัวกทักท่วไปที่ท่านได้เจริญก้นาวหน้าในชีวิตนี้ก็เหตุอะไรพระ บ, บูชาผูิที่คลบูชาคือท่านได้บูชาท่านพระสัชชิเถระได้บูชาองค์สนเดชพระบองค์าสดาชีวิตของท่านจึงก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืงนี่เป็นตัวอย่างด้วยหรอกนอกจากนี้การบูชาพู้ที่คนบูชาเช่นบูชาพุทธคุณนี้ พุนทูลอุชาพุโทโธเจริญก้าหน้าการธรรมะกินกว่าเจริญรถทาบรรดาทักกว่าเจริญเจริญทั้งนั้นชายคนหนึ่งไปหาพระอาจารย์รท่าทนก็ถาว่ามาทําไมเห็นท่านว่ามาหาท่านอาจารย์มาทําไมเพื่อผมปีที่จะตามมาตกตาม เ, เรื่เกิดตกตรมยังเลี้ยงหมูหมูก็ตายหมด ทำไรอสัก์แล้ก็ขาดทุนขาดทุนแล้วก็ถูกเขาโกงหมดเนื้อหมดตัวถึงจะฆ่าตัวตายอาจารย์ก็บอกใจว่ายายายาอาจจะปฏิบัติการฆ่าตัวตายมันบาปมากนะตกนรกชีวิตจะมีความหมายชีวิตคือการต่อสู้คนเราจนแล้วก็รวยได้รวยแล้วก็จนได้ความเพียรมีอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอาจารย์จะช่วย ต่อจากนี้ไปเธอนั้นภาวนาพุโทโธนะคืนร้อยแปดข้าบโบราณุขับข่าวคืนครั้งหนึ่งนะร้อยแปด ข, ข, นะแข้าทุกคืนนะแล้วทางที่ดีก็ให้มีคาถาด้วยนะคาถาหัวใจเสถียรุอากสะในภาวนาต่อม ก, กับไปด้วยแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนะไม่ใช่ภาวนาอุอากระสักหลับตาอุอากระสักเนี่ย แท่ไปเลยไม่รวยไม่เป็นสถีเฐีจะกลายเป็นยาจบไปเลยต้องปฏิบัติที่ถูกต้องไหมหลักที่ถูกต้องคือยังไงภานาอุอาปัสสะที่เป็นหัวใจเศรษฐีนั้นต้องรู้ว่าปุมาจะเขาาอุทานสัมปทาต้องขยันนะอย่าที่เกียดอารมาจะเขาว่าอารักะสัมปทารักษาหน้าที่ดีรักษาทรัพย์สมบัติดีกละมาจะเว่ากา ร, รยานุสตตา พบคนดีเป็นมิตรฉะมัจจุสาชชีวิตาใช้ใจ่ายพอเหมาะพอดีไม่ฟุ้งฟายเกินไปไม่ตะไรกระแม่เกินไปพอดีพอดีสีประการนี้ไปภาวนานและปฏิบัติด้วยท่านอาจารย์อธิบายว่าคำว่าพุโทโธพุธโทโธนั้นเมื่อเธอไปภาวนาแล้วคืนร้อยแต่ขราบร้อแต่ครั้งอาจจะหลงจํานวนนะอาจารย์ใช้รูปธรรม รูปประคำพวงนี้มีแก่เม็ดมีกี่เม็ดเธอรู้นะมไม่รู้นะอาคุณจะรู้สิรู้ได้ประโยชน์โทษไม่มีรูปประคำพวกนี้มีร้อยแปดเม็ดนะเธอรู้ว่าแปดเม็ดมาจากอะไรไม่รู้นะต้องให้รู้รู้ได้ประโยชน์โทษไม่มีร้อยแปดเม็ดนี้มาจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณห้าสิบหกธรรมคุณสามสิบแปดสังฆคุณสิบสี่ รู้ไม่เท่าไรแล้วเป็นร้อยแปดเออเธคิดเก่งพุทธคุณห้าสิบหกนับเรียงตัวอักษรเลยอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจะระณสังปันโนสุขโตโรกวิธูอนุตตโรปวิสธรรมสารถิสัทธาเทวมรุ ษ, ษานังพุทโธภควาติห้าสิบหนี่เป็นพุทธคุณนะคุณของพระพุทธเจ้าจาไว้ ธรรมคุณสามสิบแปดก็นับเรือนตัวอักษรเหมนกันสวาขาโตพระวตาธรรมสันทิธิโกอาการิโกเอจิปสิโกโอปะทยโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิติสามสิบแปดนี่เป็นธรรมคุณนะคุณก็เพืรอทที่สังฆคุณสิบสี่เนี่ยอาจจะท่องต้นนะท่องท้ายไม่เอาสุ ป, ปฏิปันโนพระขาวโตสาวกกาสากังโฆ สิบสีนี่คือสังฆ ค, ค, คุณคุณของพระสงฆ์ห้าสิบหกสามสิบแปดสิบสี่รวมกันเข้าจุดเป็นร้อยแปดนี่ลกจะไปภานานะทุกๆคืนนะพุโทโธเรื่องเป็นเม็ดหนึ่งพุโทโธรื่อเป็นเม็ดหนึ่งพุโทโธเรื่อเป็นเม็ดหนึ่งพุโทโธรเนเหนึ่งจุดไปทั้งครบรอบนะได้ร้อยแปดแล้วเดี๋จะเห็นผลเขาดีใจกราบนานามสามครั้งที่ตักพระอาจารย์ในเริ่มต้น อาชีพค้าขายเล็กๆน้อยๆ น, นะงานก็ไปขายจิบขายดีอย่างกระเทน้ําเพท่านของบางอย่างแม้แต่จะขายเราก็ขายได้นาอาศรรยัยจันหรืออนนานาพุโธนี่เดีวก็ะหดอาจารย์เศรษฐีด้วยก็ ร, าา ร, ร่ํำรวยนาอัสสัยจันมีเข้าขันเศษเรษฐีนึกถึงคุณพระอาจารย์ที่มาทราบอุตติทวาพระอาจารย์ดึงหลัง จารุกชื่อว่ากุติบูชาคุณพระอาจารย์นี่คืออำนาจของพุโทโธนอกจากนี้พุโทโธยังให้คุณเจวันได้มัตะกุดตรีนอนเจ็บรลอกวานตายเช้าเมื่อเป็นงองค์สนเด็กพรพภูมีขราพาตรวตดูสัตว์โลกมัตะกุดตรีมาป ร, รากรไทยขายขยาน พระศาสดาทรงพุทธาภิษากว่ามัตตคุณดีหมดที่พึ่งแล้วนอนรอความตายจะพึ่งต่อตอก็หักจะพึ่งหลักเราก็โค่นโดนสองต่อจะพึ่งพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้พึ่งทรัพย์สมัยก็พึ่งไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็พึ่งไม่ได้นอนเศร้าหัือเท้ากริกไม่ไหวเพราะว่าพ่อแม่เป็นวิชาที่ถี่ ที่ิดหายาดีๆหมอดีๆกลับไปหาตยาขอหมอวันนะยามันไม่ถึงขนาดโลกนะชั่วโลกไปไหวก็เลยเจ็บหนะักเลยหาลูกมาไว้ที่ระเบียงเรนเรียกว่าคนไหเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจะหยิบ น, นั่นหยิบนี่นี่ขี้เหนียวทึงขนาดนี้นะฮะเข้าเต็นท์นอนที่ว่าเสียดายอ้ยอยกล่อยช้างตายแทนที่จะรักลูกกลับไปรักทรัพย์สมบัติมากกว่าลูกนะ ทำท่ได้มีลูกคนเดียว น, นะครแต่ที่รักลูกใครมากกว่าทรัพย์สมบัติกับไปรับสมบัติมากกว่าลูกมีข้อสันสนิษที่ว่าเสดา ย, า ย, ยก้อยป๋อยช้างตายมันเป็นเสี ย, ยงนั้นวงสมเด็จก็ผู้มีพระภาคทรงพระเมตตาเห็นว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจากท้าวคน้วก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเธอจึงสเสด็จไปสู่ที่บา้านของมัตตากุลดาลีและทัพพีนาบ้าน เขามองไม่เห็นนะเขาหันหน้าก็ฝาเรือนหลกดแสงสว่างถึงกระนั้นองค์สมเด็จพระภูมิพพระภาส<ๆ>ก็ยังไม่หมดพระเมตตาชายรัะมีหกประการว่าก็ไปติดฝาเรือนสว่างสวัยสวยงามมากที่สุดแม้แต่คุณเรตตกใจที่มาแสงอะไรสว่างพเพื่อเคยไม่เคยเห็นสวยงามจริงๆด้วยอำ น, นาจพุทธามุภาพก็ค่อยลิกตัวกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดา เติ้นตันใจโอ้พระศาสดานี้ทำไมพระเมตตาตัวเราด้วยกเกินไม่โกรธเกลียดพวกเราไม่ผูกอาพาตพวกเราเวราเดีกๆเราไม่เคยไปวัดเพราะพ่ อ, พอมเราเป็นวิชาที่ถิห้ามเราไปวัดเราก็เลยไม่มีโอกาสไปวัดไม่มีโอกาสไปฟังเทศน์รักษาสิ่งของพระ อ, องค์แต่ถึงกระนั้นพระศาสดายังไม่ผูกอาพาตไม่โกรธเกลียดพวกเราอุตส่าห์มารด ถ, ถึงที่นี่ถึงที่บ้านเรา จะหาใครในโลกนี้ที่มีพระเมตตาแบบพระศาสดาไม่มีอีกแล้วเกิดเปตตความร่วมสายหรือประมาณโอนาพุทธโธพุทธโธพุทโธดับจุดไปในขณะนั้นได้เกิดในสวนชั้นดาวดึงมีนามปรากฏว่าวัตถุคุณดารีเทพบุตรนี่คืออนุภาพของพุทธโธน่าอาศจรร์บาลีในสมัยอุคสูตรมีตอนนึงว่า เยเกจพุทธังสนงังคาตาเสบุคคลหนึ่งบุคลลคลใดนำลึกถึงองค์สมเด็จพระภูมิพระพาเป็นเจรณาที่พึงแล้วนเตคทำวิสันติอบัยภูมิควรทลายเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบัยภูมิเลยปะหายะมาภูสังเทหังเขาละจากพวกนี้แล้วคือตายแล้วเทวากายยังปรุปรุสันติ จะไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนี่คืออำนาจพุทธคุณคือคุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงนับว่าอานุภาพคุณพระพุทธเจ้านี้สีมากเลย mm hmm. ท่านทั้งหลายการฟังเทศได้บุญอยู่ที่ไหนการฟังเทศได้บุญอยู่ที่ฟังรู้เรื่องเมื่อฟังรู้เรื่องแล้วก็จําได้เมื่อจําได้นําไปปฏิบัตินี่แหละฟังเทศได้บุญ การฟังเทศนใวันนี้เรื่องการบูชาผู้ที่คนบูชาจึงองคสมเด็จพระภูทธมีพระพาไเทศแก่เทวดาที่มาทูลถามพระองค์ก็ทรงแสดงมงคลสามสิแปดประการในมงคลสามสิแปดประการนั้นมีมงคลบุข้อหนึ่งที่เทศนใวันนี้คือปูชาจะปูชาในยา น, นเอตมัมมังสมุตตมังว่าปูชาผู้ที่คนบูชาเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุด การที่จะมาบรรยายมาแล้วสรุปใจความก็คือว่าบูชากระถาฤวดนนีแบ่งเป็นประเด็นประเด็นเพื่อฟังง่ายห้าประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งลักษณะของการบูชาประเด็นที่สองประเภทของการบูชามีสามอย่างประเด็นที่สามบุคคลที่ควมบูชามีสามประเภทประเด็นที่สี่ คาถาก็หลักใช้บูชาประเด็นที่ห้าบูชาผู้ที่ควรบูชาแล้วเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุดนั้นอย่างไรท่านทรายคค่าคนเจริญศักด์มาแล้วดังที่ได้สแสดงมาขออานาจกุศลบุณิราศีทั้งหมดที่คณะสงฆ์วัดบางโคโอมมาว่าซึ่ง ม, มีท่านจันอาวาเป็นประธานพร้อมได้ญาติโอมคุตตบริศัทซึ่งเปีมด้วยน้าใจไมตรี ไดมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณาผู้ประธานนะครับครั้งนี้ได้ชื่อว่าบูชาผู้ที่ควรบูชาพระท่านเจ้าคุณพระธรรมอรยุทธนั้นเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่งท่านมีคุณงามความดีหลายอย่างแต่เมื่อสรุปใจความโดยสําคัญสำคัญของความดีของท่านก็มีสามดีด้วยกันถ้ามีความดีครบวงจรถ้ามีความผู้ดีสามารถดี และมีความประพฤติเห็นจะไม่ต้องอธิบายแล้วว่าท่านรู้ดีอย่างไรสามารถดีอย่างไงนักปฏิบัติดียางไงและท่านถลายกินอยู่กับปากงานอ ย, อยูกับท้องสราบดีแล้วที่จะขอผ่านไปขออันน้ากุศลบุทราศีทั้งหมดนี้จงสําเร็จแก่ท่านเจ้าคุณพระธรรมมัครนายกซึ่งได้จากโลกนี้ไปแล้วหร่ำจากครองชีวิตอยู่หกสิบแปดปี สิบเดือนสิเอ็ดวันบัดนี้ทัพอจาโลกฤาษีขึนสวรรค์แล้วมีความร่งเงย็นเป็นสุขขออำ น, นาจกุศลบุญราศีษษษษษษทั้งหมดนี้จงสําเร็จในท่านเจ้าคุณผู้รวมรับไปแล้วแมืแ่ท่านท่านจะเสด็จเสถิตกูรณะสถานที่เด็กกระทำก็ได้โปรดรับทราวบว่าบัดนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายแห่งวัดบางโภโมว่าขออนุญาตลงพุทธบริษัท เรียมด้วยน้ำใจไมตรีน้อมอุทิศบุญกุศลที่ความเพียในคราวพรังนี้ส่งไปให้แกท่านเจ้าคุณแล้วขอท่านเจ้าคุณจงรับทราบอันโมทนาสาธุการสํำเร็จเป็นปัตามุโมทนาใหม่ให้ได้รับความสุขในสัมปรญาพบให้สมยังเจตนาปรารกความตั้งใจของกระทั้งจะาาดทั้งหลายโดยทั่วกันอ่นึงด้วยน้าใจไมตรี ความกตโูกตวเวทีมีน้ำใจคนทั้งหลายเพราะที่การงานหรืออาชีพสมบูรณ์ดียากสมบูรณ์ดีรสสมบูรณ์ดีสัญญาเสริญ ส, สมบูรณ์ดีความสุขปราศจากทุกขปราศจากโศกปราศจากโลภปราศจากภัยปราศจากอันตรายทั้งปวงงอกงามใครบูรในชีวิตและในพุทธศาสนาทุกท่านมีความปรารถนาสิ่งใดท่านชอบด้วยสศีลธรรม ขอความปรารถนานั้นๆจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแต่ทุกๆุกท่านแต่รอทุกทิวาราตรีการรับประทานวิสัญนาพระธรรมเทศนาในบูชากถาพอสมควรแต่เวลาตามการณิยมสมควรแต่เวลาวุติพระธรรมเทศนาลงคมไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉ ะ, ะนี้